ละธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าลืมตัวแต่อย่าลืมตายก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะ อธิบายเรื่องของศีลให้ฟังสักเล็กน้อยซะก่อนเพราะว่ า, าลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังโดยมากจะไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาในเรื่องศีลธรรมก็จะทำให้ห่างเหินถือเป็นประเพณีถ้าหากว่ า, าไปนังานใดงานว ม, มงคลงานอวมงคลจะเป็นงานไหนในาศาสนาพิธีก็จะมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีล ประธานสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ให้ศินไปเลยต่อไปหลวงพ่อคิดว่านะจะทำให้พวกเราห่างเหินไม่รู้จักคุณคุณค่าของศีลธรรมคือศีลห้าคำนี้นะ่ะเป็นศีลคุ้มครองโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าหว่าผู้มีศีลหลวงพ่อจะเข้าประเด็นเลยทื่ว่าศีลข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าคิดฆ่ากัน ถ้าพวกเราคิดฆ่ากันโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาอย่าคิดฆ่ากันข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีอย่าคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขาขเขามาขโมยของเรา เราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไถา่เขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไถา่เรามีความรู้สึกยังไงเสียใจพดดธบอกได้ว่าเสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการขโมยกันมันไม่ใช่ของดีมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ น, นั้นการขโมยกันจะทาให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายในยุคสมัยนั้นข้อที่สมกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราหลักเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัตินีข้อที่สให้เคารพศีลซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาลูกหลานข้อที่สี่มุสาวาาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่ส่อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาถ้าเราไปเขียนเช็คแดงให้เขาเนี่ยหรือเขามาเขียนเช็คให้กับเราถ้าเป็นเงินน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเงินมากเราเสียใจไหมเขาเสียใจไหมทั้งเขาทั้งเราเสียใจถ้าเจออย่างนั้น เพราะนั้นการโกหกต้มตุนหลอกลวงกันจึงไม่เป็นผลดีเพราะทุกวันนี้การโกหกต้มตุนหลอกลวงมีมากขึ้นเรื่อยๆแลวก็ข้อที่หสุราเมรยะมัชประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเมลยัยสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์คัญนชายาฝิ่นเฮโร อ, อีนยาม마ายาบ้ายา마าโคเคน ทุกวันนี้มีมากแต่ถึงจะยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อและมีมีชื่อก็ตามออของประเภทนั้นดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วหรือฉีดเข้าไปแล้วทําให้ขาดติตในเมื่อคนขาดติทําความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะระราบประลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะฉนั้นศินข้อที่5เป็นสินคุ้มครอง ก็ว่าเป็นสินที่อันตรายทํำให้พวกผู้ที่เสพละดื่มเข้าไปขาดทุติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตมาในหลวงพ่อได้กล่าวได้พูดให้ฟังนี่ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจับเอาไปสํานึกเอาไปคิดไปกลั่นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้าหากว่าพวกเรามีศีลธรรมหรือมีศีลห้าแล้วศีลห้านี่แหละจะคุ้มครองพวกเรา อยู่กันด้วยด้วยกันมากน้อยแค่ไหนจะร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันเพราะนั้นเมื่อพวกเรารู้แนวทางรู้รู้คุณหรือ ร, ร, รู้คุณค่าของสินที่อาตมาภาพและคุณหลวงพ่อได้กล่าวไปนี้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะ สีเลนะนี่ผูติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยเอาต่อนนี้ไปถือว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะจัดทาญาติโยมลูกหลานทุกคนแต่มองมองดูแลว้วก็เป็นโยมพี่ของหลวงพ่อก็หลายคนเหมือนกันแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้อายุ72ปีเพราะนั้นเห็นเห็น พวกน้องๆทั้งหลายพวกข้าราชการทั้งหลายถือว่าเป็นน้องของหลวงพ่อทั้งหมดน ะ, ะ่างนั้นก็เป็นลูกๆรานหลานของหลวงพ่อหลวงพ่อขอใช้น้ำข อ, อสมมุติตนเองว่าเป็นลองพ่อกันแล้วกันนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะไปขวางหูกันแล้วกันวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวกล่าวสังเวช น, นิยติคาคือกล่าวคาถาที่ความสดสังเวทใจ คือวันนี้ท่านวิเชี ย, ชยนขาวขำและคุณอสอ ส, อสอเทพจุธาเทพจุธ า, าได้กำหนดสวดอภิธรรมชาปนกิจศพ ค, ค, คุณแม่วันดีจะว่าคุณย่าก็แล้วกันนะเพราะท่านอายุมากแนละ้วคุณย่าวันดีขาวขำสริริรวมอายุได้หนึ่งร้อย ร้อยหนึ่งปีโอโมาณนะวัดณนะเมนวัดทรายโทงทองบ้านหนองหัวคู่ตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านผือจังหวัดอุรณธานีณนะวันพระรหัสที่11พุท็พฤษภาคมพุทธศักราช2560 อ, อเวลา16เกเ่คงเป็นเวลา16ประชุมเพลิงนะเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นเวลา สิส่ิบห้าเน่ยสนาฬิกาเกือบเสร็จิานาฬิกาวันนั้นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้เข้าพิธีกรรมเป็นแสดงธรรมกล่าวสังเวยทนิยกถาให้กับคณะทายาิโยมได้ฟังถ้าหากว่างานใดก็ตามถ้างานใหญ่ๆอย่างนี้ท้าขาดไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการ ให้เหตุผลอะไรเลยก็ทําให้งานก่อยๆไปเหมือนกันนะ เ, เงินคืองานไม่สมบูรณ์เพวัะนั้นจะมีการแสดงธรรมแต่วันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรไม่กล่าวอะไรมากนะเพราะว่าศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานที่มางานก็คงจะบ้านอยู่ไกลบางทนก็มีเครื่องมีเครื่องบินมีอะไรเพะฉะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดจะกล่าวไม่นานแนละวันนี้นะ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 ขยะวยะธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เจ้าภาพมีท่านวิเชียนขาวขําแล้วก็สะสะเทพสุธาที่พ่อคุณพ่อรู้จักแล้วก็พี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานได้จัดงานของคุณย่า วันดีขาวข่ำที่เป็นคุณย่าคุณยายของพวกเราที่ท่านได้จากไปการจากไปของคุณย่าคุณยายที่อยู่ด้วยกันมานมนานตั้งแต่พวกเราเกิดขึ้นมาก็เห็นคุณย่าคุณยายเมื่อคุณย่าคุณยายจากไปก็ททำให้เจรินใจไม่มากก็น้อยมากทีเดียวเพราะเหตุไรไม่ว่าท่านว่าเราถาญาติผู้ใหญ่จากไปแต่ละครั้งก็เหมือนกับต้นไม้ ร่มโพร่มไสของพวกเราโคอนลงนี่แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันเป็นมาอย่างนี้เพราะโลกทั้งโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกไปบวชท่านก็เห็นจุดนี้เหมือนกันท่านจึงการเกิดความเบื่อหน่ายกลัวกลัวความตาย ถ้าจะว่าไปแล้วสิทธรรมหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกลัวความตายนะไม่ไรเพราะว่าท่านเห็นคนแก่และก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสัมมณะในช่วงระยะใกล้เคียงกันท่านเห็นสี่อย่างเห็นคนแก่เขมาก็จะเทือนใจพอเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเทือนใจพอเห็นคนตายก็จะเทือนใจแต่เห็นสมณะถ้าเห็นสัมณะคือเห็นสมมณะที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ นั่งสำรวมอยู่โคลนต้นไม้ตามลำพังเอออยู่ตามลำพังท่านถามนายชนะว่าอันนี้คืออะไรใข่ในายชนะบอกว่าเนี่อคือสมมานักคือนักพรตนักบวชประเภทหนึ่งที่เขามานั่งอยู่โคลนต้นไม้เขาจะมานั่งคุ้นคิดหาวิธีกรรมวิธีการอันใดอันหนึ่งของเขาที่เขาต้องการอยากจะรู้เขาจะมานั่งคุ้นคิดอย่างนี้ท่านสินทัศเถ้าเออถ้าหากว่าเรา ได้มาคุ้นคิดนั่งคิดอย่างสัมมนาท่านนี้เนะี่ยคงจะเป็นประโยชน์เพราะถ้าเยะเราอยู่ในเวียงวังไม่รู้เรื่องอะไรตัวมีอะไรเรื่องการเรื่องการบ้านการเมืองการรักษาการทำมาหาเลี้ยงชีพของพี่น้องประชาชนมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดถ้าเราปลีกตัวออกอย่างนี้อย่างสัมมนท่านนี้คงจะมีช่องทางจากนั้นศิริฐาท่านจึงได้หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าตามลำพัง ที่ฝังแม่น้ำอโนมาณทีไปเป็นนักพรตตักบทตั้งหกปีถ้าจะเท้าความให้ดูกันนี่ท่านกลัวความตายอย่างที่ว่าเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องความตายนี่จะทำยังไงจึงจะหลีก ล, ล, ลีหนีพ้นเพราะพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะอยู่ณสถานที่ใดก็ต้องเรียงกันตามลำดับไปเรื่อยๆเฮ้ hey, ยเอาเ้าเข้าํารองที่คนโบราณเขาบอกว่าขาวนี้ตาข่าข้าวหน้าตาเอง ไม่เป็นข่าวของใครของเราเพราะฉนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงให้จึงพระพุทธองค์จึงถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานานท์กราวทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์เธ อ, อยังตั้งอยู่ในความประมาทเธอระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้ง ตั้งประมาณวันละร้อยครั้งเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทเธอควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ตายถ้าไม่ใชหายใจไม่ออกก็ตายเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นเธอควรระลึกถึงความตายทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะความตายเป็นสิ่งที่โหดโูดพวกเราระลึกถึงแล้วความตายเป็นสิ่งที่หดโหดแต่พระพุทธเจ้าทําไมให้ระลึกถึง พระพุทธองค์บอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยลืมตัวถ้าระลึกถึงความตายอยู่เสมอทําให้จิตใจของเราเนี่ยจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีก็จะไม่คิดทําไม่ดีจะไม่คิดพูดไม่ดีจะไม่พูด เ, เพราะฉะนั้นควรเราควรจะทําคิดดีพูดดีทําดีเท่านั้นนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพุทธะแต่นนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าสมัยหนึ่ง สมัยหนึ่งมีพ่อค้ามาจากเมืองพาราณสีมาทามาค้าขายอยู่ที่กรุงสาวัตถีพอมาถึงแล้วเขาก็ตั้งตั้งร้านที่มาเพื่อจะขายขายขายผ้าคือเป็นพ่อค้าผ้าแต่แล้วพระพุทธองค์ไปบินเท่าบาทผ่านหน้าหน้าร้านขายของของเขาพระ อ, องค์แย้มพระโอษฐ์บอกว่าอุบาล แย้มพระโอสถพระอนนรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์แย้มพระโอส์ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่านพระพุทธองค์บอกว่ า, อ, าอุบาสกเนี่ยเขากําลังคิดไกลว่าเขาจะอยู่ในที่นี่ตลอดทั้งฤ ด, ดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวแต่ชีวิตของเขาจะอยู่จะมีอายุเพียงเจ็วันเท่านั้นจากวันนี้ไป เ, เพราะฉนั้นเราเห็นว่าชีวิตของเขาจะอยู่เพียงได้เจวันเท่านั้นจากนี้ พระ อ, อนนท์ก็ได้ยินแล้วโอ้ข้าอย่างนั้นข้าองค์จะไปกร่านะจะไปบอกเขาได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธ อ, อง์บอกว่าถ้าเธอรู้จากเขาขบวดไปบอกเขาก็ได้อย่างนั้นพระ อ, อนนท์ก็เลยถือโอกาสไปบอกว่าเออโยมจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่บอกว่าผมเมื่อมาจากเมืองพาราณสีมาถึงฝั่งแม่น้จาจะข้ามน้ำไปข้ามไม่ได้เพราะว่าน้ำมันนองนองมากเพราะนั้นผมจึงตั้งปักหลักอยู่ที่นี่ ก็คิดว่าคงจะขายเสื้อผ้าซะก่อนเสร็จแล้วคงคงจะกลับเมืองพารานาสีพระอานนท์บอกว่าอุยมพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์บอกว่าชีวิตของโยมน่จะอยู่ได้เพียงเ็ดวันนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะจากนั้นโยมเขาก็เกิดความสรดสังเวศใจจากนั้นเขาก็ขับ เ, เขาควรจะทำจริงไหนควรจะคิดอะไรคนคิดะจากนั้นโยมคนนั้นเขาก็เลยจัดการ ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล น, นี่มวลพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมาโปรดพราะองค์โปรดให้ฟังเพรายอมคนนั้นได้สําเร็จพระโสดาบันนะจากนั้นอพอไปทําบุญไม่กี่วันเขาก็ปวดศรีรษะกงใจเส้นเลือดแตกในสมองนะเขาเป็นทุกวันนี้นะจากเขาก็เลยมรณนะอพอมรณนะภา พ, พมรรคพอมรณะขึ้นไปเขาไปเกิดอยู่บนสวรรค์อันนี้คือมาในพระไตรปิฎก สรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพวกเราอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในสถานะนใดไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทควรประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธองค์ได้ไปไปบำเพ็ญอยู่ที่โพลต้นโพลวันเดือนหกเพนอย่างเมื่อวานนี่นะเเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชาพระพุทธองค์ได้ตัดรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อยู่ที่โคลนต้นโพในวันนั้นในวันเดือนหกเพ่นนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิในตอนหัวคำ่ำพอพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเรีวยกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่ยหลักคำคำสอนของพุทธศาสนาเออ้นบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกระลึกชาติผลหลังถ้าพระพุทธเจา้าไม่ ถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้จ้ะว่ะภูเพนิวาสานุจติยานพอถึงเที ến, ่ยงคืนจุตูตปะปะตาตยานพอจวนสว่างอาสาวะขยะยานนี่แหละยานของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือน6เพปุูเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่พอถึงเที ến, ่ยงคืนจุตูตปจะ ป, ะ ป, ะปะาตยาน ท่านมองดูสรรพสัตว์มองดูผู้คนทั้งหลายมองดูทุกคู่คนว่าทําไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่งหน้าตาลูกล่างความฉเฉลียวฉลาดความมั่งมีสีสุกแตกต่างกันทําไมมนุษย์เกิดมาเหมือนกันมันเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไม่ไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็มองดูว่านายกอในอดีตชาติเขาทาอะไรนายขอเขาทาอะไรนายขอเขาทาอะไรพระ อ, องค์มองดูแล้วว่า แต่ละคนทํากรรมไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันพะฉะนั้นเมื่อการกระทํทั้งทั้งสามทวารคือคิดทําพูดไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทํานั้นจะให้ผลถ้าทําคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลเพราะนั้นพระอษพระุรองจึงตัดเป็นพระบาลีว่าอ ก, กตังุ ก, กตังไสยโยปั ช, ชาตปฏิดุ ก, กตัง กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ให้โอวารปฏิโมกต่อภิษุทั่งหลายเพราะนั้นพระพุทธองค์มองดูแล้วว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมเป็นผู้จำแนกให้เกิดมาแตกแตกต่างกันเพราะนั้น หลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สู่นะคณะบนักสัตาายาติโยมลูกหลานบุญกุศลผู้ใดทำไว้ผุนนั้นจะเป็นบุญกุศลแต่คุณโยมคุณยายวันดีคุณย่าวันดีของพวกเราท่านคงได้ทำบุญไว้ในอดีตตะการพอสมควรเพราะอายุท่านเยืนถึงร้อยนึงปีหาได้ยากเป็นผู้มีบุญคงจะไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ในอดีตชาตินะ พระพระองค์ท่านบอกว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของคนนั้นจะสั้นแต่นี่คุณยายของเราเนี่ยคงจะไม่คงจะไม่ยินดีในการทาร้ายทําลายชีวิต ช, ชีวิตของคนอื่นสัตวอื่นนะคนนั้นคุณยายจึงอายุยืนคะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรามาลําลึกถึงมาทาชาปนกิจศพของคุณย่าของพวกเราฟังดูๆแล้วก็เห็น มองหลวงพ่อเห็นมองมองด้วยแล้วอบอุ่นศรัทธาญาติโยมญาติโกโหติกาของอท่านท่านวิเชียนท่านญาติญาติของของท่านกว้างขวางมาทุกระดับที่หลวงพ่อมองเห็นเนี่ยนะ่ยเป็นมาแสดงความอะไรไว้อาลัยในคุญญาของพวกเราถือว่าคุณญาของเราเป็นผู้มีบุญผู้หนึ่งลูกหลานทั้งหลายกลุ่มทั้งหลาย พวกคณะศรัทธายาโจมทุกหมู่ทุกเหลา่าหัวหน้าสวนรัชการก็มีไม่น้อยมาวันนี้ได้มาร่วมมารวมกันสแสดงออกซึ่งความอะไรในคุน ญ, ญาของพวกเราเพราะนั้นการกล่าวสมโมทิธนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีทัตนาตรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธิน